สิ่งอื่นที่ควรตัดมีอยู่กลับไปตัดอีกสิ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงตัดองค ช, ชาติของตนรูปใดตัดต้องอาบัดหุลัดใจ